่สำหรับวันนี้ก็จะขอนิยมบ่ายเรื่องการปฏิบัติต่อถึงความเป็นพระนาคามิมักเรื่งการสีบต่อจะจวัก่อนเขา้รว่าบรรดาท่านพัฒบริษัทจะศึกษาในการปฏิบัติหรือว่าเวลาที่น้องจิตติมวิจรณาและธมทานในด้านการปฏิบัติ ตามแบบจาบับที่เขาปฏิบัติกันมาใ น, นดับแรกให้ทวนต้นไว้เสมอเพื่อทรงอารมณ์ให้เป็นปกติผลแห่งการปฏิบัติที่จะมีผลจริงๆนี่เราหมายถึงว่าเอาผลกันจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำนั่นเขาแช่รมพิจารณาเป็นสำคัญ การใชอารมณ์ภาวนานี่คือการยับยั้งจิตไม่ให้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองนี่ตอนนั้นการยับยั้งจิตให้มีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ของฌานเป็นบันไดที่ก้าวเข้าไปสู่วิปัสสนาญาณการทรงจิตเป็นฌานยังไม่ใช่มั่งมีผลแต่ถ้ว่าเราก็จะที่ไม่ได้ นักปฏิบัติต้อประกอบกิจสาอย่างพร้อมกันคือหนึ่งอาทิศิลสิขามีศีลบริสุทธิ์คำว่าศีลบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่สักแตว่าบริสุทธิ์เฉพาะมันนั่งภาวนาต้องบริสุทธิ์ตลอดยี่สิบสีช่ชั่วโมงอาทิตตสิขาต้องมีสมาธิส่งตัว ให้จิตล้อมอยู่ในด้านของกุศลตลอดเวลาคำว่าสมาธิประกอบการตั้งใจเพื่อตั้งใจไว้เฉพาะจุดเดียวคืออารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่มันมีมากอย่างจะเป็นอะไรก็ช่างตามที่เราต้องการจุดนั้นเราจะนิกไว้เสมออ า, า, าทิปัญญาจิตหาพิจารณาตามแบบฉบับ ในระดับของสังโยชน์ที่เราจะตึงตัดแล้วก็มีอารมณ์ทรงอารมณ์ที่เป็นกุศลจำที่ต้องเข้าถึงในขณะนั้นถ้าอารมณ์ทรงตัวแบบนี้หมายความว่ า, วาขณะใดาที่เราจิตคิดอยู่ในได้ของกุศลขณะนั้นที่ว่าจิตพระเราทรงศีลทรงสมาธิ แล้วถ้ามีปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงจากขันหา้าเพื่ชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เชลาีิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ระลามิทุกขังความตายเป็นทุกข์โศกฤติวัตุกระทบมนัสเป็นตน้นความเศร้าโศกเสีสสยใจเป็นทุกข์ ความพัฒนาจากของจะรักของชอบใจเป็นทุกข์รู้จักว่านับตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วทุกตัวนี้มาจากไหนทุกตัวนี้มาจากตัณหาคือความสัญญายากจิตติดติดอยู่ในโล ก, กีวิสัย มีว่ายพาดเนเครื่องยึดมันม่นถือมั่นก็ร่างกายเป็นเราเป็นคนเราเรามีม่ร่างกายร่างกายมีในเราหรือว่าเมื่อเราติดยึดมันม่นถือมั่นในร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นคนเราก็เลยลืมความตายเมื่อลืมความตายจิตก็ประกอบไปด้วยความชั่วที่เรียกว่าอากุศลคาว่าอากุศล น, นี่ก็แปลว่าไม่ฉลาด สร้างกรรมที่มันเป็นปัจจัยความเดือดร้อนทั้งเราและบคุคคลอื่นอย่างนี้เป็ น, น, นอันตรชนอารณ์ของเราจะไม่จำต้อ ง, อง ไ, มไม่จับอย่างนี้จะต้องทําลายความอยากประเภทนี้เสียใช้ปัญญาคิดนรณาหาความเป็นจริงจากขันห้าว่าขันห้ามันเป็นเราจริงหรือหรือว่าเป็นของเรา อ้ามันเป็นเราจริงเป็นคนเราตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้เราเคยคิดอยากจะตายบ้างไหมเคยคิดอยากจะป่วยบ้างไหมคิดอยากจะให้ร่างกายมันร้อนจัดมีบ้างไหมคิดอยากให้ร่างกายมันหนาวจัดมีบ้างไหมแล้วคิดบ้างรึเปล่าว่าเราต้องการการกระทบกระทั่งจากคําวาจาเขาบุกคนอื่นที่เป็นที่ไม่ชอบใจของเรามีบ้างไหม หรือว่าเราต้องการการกระทำของคนตัวนอง่ปที่ไม่ถูกใจเราไหมถ้าการอย่างนี้จิตเราไม่เคยคิดอยากจะได้แต่ว่ามันมีบ้างไหมละ่ะถ้าการอย่างนี้มันปรากฏกับเราไหมถ้ามันปรากฏก็แสดงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแม้แต่ลมที่เราทรงอยู่ปราถนาอยู่มันก็ไม่เป็นที่พึงปราถนาของเรา มี่ใช้ปัญญากันแบบย่อๆเรียกว่ามีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นการตัดตัวเกิดและการตัดตัวทุกข์ถ้าตัดตัณหาได้มันก็ทุกตัดทุกได้ถ้าตัดตัณหาไม่ได้มันก็ตัดตัวทุกข์เป็นได้ตัณหาที่มีความสาคัญที่สุดก็คืออยากเกิดขณะใดยังมีความอยากเกิดอยากทรงอยู่ไม่อยากตาย ขณะนั้นไม่มีทางยังต้องเกิดรับทุกต่อไปจนกว่าจะมีปัญญาพิจิญณาทราบต่างความเป็นจริงเรื่องนี้ขอยกไว้ที่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงพระอนาคามีย้อนถอยหลังไปนิดเพื่อการที่จะทรงอารมณ์เป็นประโสดาบันเขาทรงในกรรมาฐานอะไรบ้าง กรรมฐานนี่ทั้งหมดนี่ไม่ต้องไปนั่งหลับตายก็ได้ให้จิตมันนึกไว้เสมอลืมตาอยู่สงอารมอยู่มันนึกไว้เสมอเวลาทำงานทำกายเขาทำไปจิตอยู่ในกายงานเวลาจะพูดเรื่องอะไรที่เป็นสาระก็จิตอยู่ในเรื่องของการพูดหยุดพูดหยุดทำ น, น้อนจิตคิดถึงอารมณ์ต่อไป ผุคคนที่เป็นบรรพูนดาบันตัสกาลยที่ทดีเล็กน้อยนั่นก็คือไมกถึงความตายเป็นอารมณ์ความเมาในชีวิตในร่างกายยังมีอยู่แต่ไม่ลืมความตายยังรักสวยยังรักงามแต่ถ้าว่าเขาคิดว่าความสวยความงามนี้ไม่ช้าก็าพังสลายตัวไปก็มีอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการตายครั้งนี้จะต้อง ถ้ามันจำจะต้องเกิดจริงๆก็ให้มันเกิดดีกว่านี้เออเนื้อแท้จริงๆแล้วเราไม่ต้องการความเกิดสิ่งที่เราต้องการคือผลิพันธ์ถ้าลมจับผลิพันธ์นึกถึงผลิพันธ์อย่างนี้ฉันเรียกว่าอุปสมานุสติสมถทานการนึกถึงความตายเป็นปสูงปกติเรียกว่ามรณานุสติสมถทาน เมื่อจิตเราจับปริพันธ์แล้วเราก็ต้องดูต่อไปว่ไอ้คนที่จะก้าวเขาไปสู่พระนิพพานเขาใช่อะไรบ้างไปเบื้องต้นอันดับแรกก่นนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานยอมรับนักือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จตุสัมมาทัมพุทธเจ้าดีกว่าธรรมานุสติกรมฐานยอมรับคุณสมบัติที่ทรงซึ่งความดีไว้ของพระสงฆ์ เรียว่าสังขารสถิตกรรมฐ า, านแล้วว่าจิตใจของเราตั้งไว้ใจใจไว้เสมอว่าจะทรงศีลให้บริสุทธิ์เพราะว่าท่าีลของเราไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องมีโอกาสไปอาบายภูมิขึ้นชื่อว่าบายภูมิทั้งสี่มีนรกเวทสุรกายสติเรชานเราไม่ยอมไปเราจะไม่ไปได้ก็พ ร, ะระาะใสมีศีลบริสุทธิ์ มีกำลังใจควบสินที่ควบคุมสินอยู่เป็นปกติไม่คลาดจากจิตอย่างนี้เรี hoot, รยกว่าสีหลานสติสมถานแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าไอ้ส hmm. ีนนี่จะทรงยันได้เพราะอาศัยอะไรพวกควบคุมก็เพราะอาศัยผรมีหานสีถ้าเรามีพรมีหานสีแล้วสินมันไม่หักกรองสมาธิเก็ทรงตัว อย่างนี้เลยแต่ผมมีฐารสี่เพื่อทมฐานเขาได้ทันเร็วผมมีหารสีรรรมมรส่ตรงตัวตอนนี้ผมมีหารสี่ที่จะทรงได้ดีจริงๆอาศัยอะไรเป็นสําคัญอาศัยฮีริลาอตตะปะคือฮีริความอายถ้าความชั่วอตตะปะเป็นตัวผึ่งความชั่วใจโทษเป็นทุกข์อาการอย่างนี้เมื่อจิตทรงอยู่ได้อย่างนี้จริงๆก็ชื่อว่าเราเป็นประโสดาบัน นี่ควจริงไม่ต้องไปนั่งหลับตาก็ได้ให้จิตวันทรงอารมณ์อย่างนี้เป็นปกตินั่งหลับตาอ่านตำราฟังเทศก็เลิกแล้วจิตทุกอย่างที่ฉาคนล่นอยากจะได้คนนี้อยากจะว่าคนนั่นจะคือการแกล้งคนนี้ยังนี่หลักตาไปสักกี่แสนชาติมันก็นลงอบายมทุกชาติไม่เกิดติดโดด ประโยชน์ที่จะเกิดจริงๆก็คืออารมณ์จิตที่ทรงตัวนี่ถามว่าจะทำอย่างนี้แล้วจิตจะเป็นชานไหมมันก็ต้องเป็นชานชานั่งแล้วเรียกว่าการเซ่งหมายความว่าจิตจับอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทุกอย่างนี้ให้มันอยู่คัพร้อมกันไม่ใช่ไล่เดี้ยที่อะอย่างจิตมันทรงตัวอีกเป็นปกติ อารมจะเป็นขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ยอมแล้วเมื่อสิ่งทั้งหมดตามที่กล่าวมาจิตมีสภาพทรงตัวจิตมีสภาพทรงตัวหมายคิดอยู่เสมอี่อย่างนี้เขาเรียกวา่าฌานฌานนั่งหลับตานะีฌานไม่จริงมันต้องฌานลืมตาหลับตาหรือลืมตามีสภาพจิตเสมอกัน ทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ตามอารมณ์จิตมีความเยือกเย็นตามที่กล่าวมาแล้วอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นอารมณ์ความเยือกเย็นเมื่อทรงตัวได้อย่างนี้เป็นปกติท่านเขาเรียกว่าพระโสดาบันไม่เห็นจะมีอะไรยากตอนนี้สําหรับท่านสกิทาคามีมีอารมณ์เช่นเดียวกับพระโสดาบันถ้าสกิทาคามีมัก ก็เพิ่มกำลังรวบรวมกำลังจิตที่เป็นพรมิหานตสี่ให้ทรงตัวแข็งกร้าวขึ้นรู้ว่ากระสุนดายังมีความรักในเพศยังมีความโลภในอยากรวยจะไม่ละเมิดศีลยังมีความโกรธจะฆ่าเขาไม่ได้ตีเขาไม่ได้เพราะเกรงศีลดายขาดยังมีความเพียมบาตรจองล้างจองผลานแต่ไม่ทํา ยังมีความลหลงไหลฝ่ฝันในโลกโสดมพันธ์แต่ไม่ลืมความตายจะเห็นว่าอารมณ์เขาไม่โสดาบันไม่มีอะไรมากเป็นชาวบานชั้นดีตอนนี้มาพระสกิทาคามีสกิทาคามีมักนะยังไม่ผลสกิทาคามีมักเกา้าขึ้นมาอันดับแรกจิตเราก็ทรงพอ ม, มีหางสีเป็นกรณีพิเศษ นอกใจากจะโกรีดแล้วไม่ทำอันตรายเขาในด้านประสูจาบันกำลังใจสูงขึ้นเป็นอััยทานใครก็ทำให้เราโกรธนั้นเราโกรธไม่ใช่ไม่โกรธถ้าสยิทาคามียังมีโกรธและโกรธแล้วก็คิดจองด้วยยังมีการจองผูกโกรธเอาไว้ตอนนี้กำลังใจส่วนหนึ่งมันแทรกสูงขึ้นมา ที่พอมีหันสีแม้แต่เมื่อเวลาใครก็ทําความไม่ดีให้เราโกรธไปที่ไม่ถูกใจก็แล้วมีก็อารมณ์คลายลงมันก็ช้าหน่อยไม่ได้คลายทันทีท่านเล็กลองเราไปกีด่าอ๋อคนที่ก็ทําให้โกรธที่เราน่าสงสารโดยคนที่ทําความชั่วนี่เป็นเยือของอาบายภูมิ ถ้าต้องตกนรกมันแสนจะลาบากร้อนก็ร้อนไฟร้อนก็ไฟทํามันดาหลายล้านเท่ายังมีสันพาวุฒมาสับฟันอีกนี่เขาต้องมีโทษนทนหนักทุกเวรนานักพ้นจากนรกมาเป็นเปรตแสนจะลาบากนับไปพันเลยหมืน่นแสนชาติจึงกว่าจะพ้นเหมืกกน่นใสกลับหราไม่ชาติแล้วต้องมาเป็นอสุรกายเต็มในความหิวโหย ต้องมาเป็นเตอี่ยฉานซึ่งไม่มีใครให้สิทธิใดๆทั้งหมดจะเพราะถูกกปล่อยให้อดตายบ้างถูกกุมเหงันใน่ร้ายไม่มีกฎหมายมเพื่อควบคุมจิตคิดอยู่ว่าคนที่เนรรมชั่วอย่างนี้เป็นคนที่น่าสงสารปล่อยเขาตกมือไปข้างเดียว ให้เขาชั่วไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมชดด้วยกรรมใดที่เขาทำให้เป็นเครื่องเก็บใจกระทบไปเตือนใจเราให้อาภายัยอย่าลืมว่าไอตอนให้อาภาัยตรงนี้แต่กว่าจะให้ได้ยี่งต้องใช้เวลาสองวันสามวันหรือสองชัช่วโมงสามชั่วโมงถ้าเร็วเข้ามามันมยังมีโรกรธยังมีพยาบามดแต่ก็มีอารมณ์ให้อา ภ, ายอาภายัยฐานไม่ถือโทษไม่เอาผิดกับเขาให้อาภัยเขา แต่อย่าลืมนะว่ายังมีความโกรธี่มีความส บ, บายนี่เป็นสกิธาคามีมัคเบืองตนนี่สกิธาคามีมัคเบืองพลายตามพระบาลีธรรมกวา่าถ้าสกิธาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงมันเทาตรงไหนท่านยัง มันเดาทำโลกก็บรรเทาความโลกแล้วก็มีจารคานุสติสกัานเป็นกำลังใจแทนที่เนโลกอยากได้กลับเป็นอยากให้เขาการแสวงอาชีพเป็นสมาชีวะถ้าไม่กล่าวว่าเป็นความโลกได้มาอารมณ์ใจคลายในการติดในสมบัติการหามาเพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเรงสามีภรรยามีความจำเป็น ต้องหาการหาได้สมาชีวะเขาจ้างเราให้กันเดือนถูกและก็ให้กันเดือนแฟงเราทางความดีไม่ใช่ความโลภการค้าขายลงทุนน้อยได้กําไรมามากมีฐานะสูงขึ้นแต่วา่าเป็นกายค้าเป็นแต่ไม่ได้ความสุจริตไม่ใช่ของหรือมันบอกว่าเป็นของดีการซื้อขายบอกราคากันตามปกติเขาพอใจเขาเอาไปเขาได้กาไรมากเขาได้กําไรน้อยไม่สําคัญ อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภเป็นสมาจีวะตอนนี้สําหรับทรัพย์สินที่ได้มาเป็นโสนดาบันจะเกาะมากแปลว่ามาถึงพระศีธาคามีนักดีเสมอเมื่อชีวิตอยู่จําเป็นจะ ต, ต้องใช้ต้องหาแต่เราหนึ่งที่คิดว่าไอ้เรากับมันนี่ไม่ใช่กับจากกันไม่ช่าไม่มันก็เราไปข้างๆหนึง เอออนาคามนี้วันนี้อนาคตไม่รู้จิตใจมันก็เก่าเจการยึดไม่ใช่ว่าเก่าเจการหาหาตามปกติแต่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเรากรมันจะลอนกอดจะอยู่ตลอดเวลาไม่ตายจกากกันไม่ตายจากการอันนี้ไม่มีคิดไว้เสมอว่าเรากรรมันนี้ไม่ใช่ก็สลายต่างคนต่างไปก็มีกําลังใจคิดโดยด้วยความไม่ส ม, มาคร สาหรับความโกรธพิจารณาขามีเครืรร่องคัดจะเป็นความมีมหานสีในด้านอภัยทานถ้ามีอภัยทานมันมันเทาลงแล้วความโกรธบรรเทาไม่เฉยหมดมันได้ความหลงในร่างกายก็ก็ไปเจรณาแล้วนไอ้ร่างกายนี้มันสวยสดงดงามก็จริงแต่แต่ว่ามันเต็มไปได้วยความสุขสงบสง ก, กไม่มีการสรงตัว ตอนนี้ก็ต้องใช้กายกตานุ้สติอาุทกรรมฐานที่มีอารมณ์เข้มแข็งขึ้นเป็นอันว่าพระสกิทาทามีต้องเพิ่มจาการู้สติกรรมฐานเข้ามาในด้านสมถาภาวนาเพิ่มพรมิหารสีให้มีกำลังสูงขึ้นและก็เพิ่มกายกตานุ้สติกาสุทกรรมฐานรวบรวรวมเข้ามาอีก เป็นกำลังใจเป็นปกติจิตก็คร่องจะคิดยู่ว่าอัตภาพร่างกา ย, ายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโรคเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เมื่อได้สุดก็ต้องสลายตัวเราจะไปนั่งมัวเมาในทรัพย์สินยึดถือ ว, ว่าเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรแต่ก็ยังเกาะแ้วก็ปล่อยง่ายให้ง่ายสงเคราะห์ง่ายให้อภัยทานง่าย เห็นร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความสุขสกแต่บางครั้งมันก็สวยบางครั้งก็เป็นที่ปรารถนาแต่ว่าจิตถอยออกมาหาได้ง่ายๆ ย, ยังไม่ถึงก็หมดเลยนี่เป็นนี่ใสของพระสิทธาคามีเนี่ว่าสกิธีทธาคามีผลถ้าจิตทรงได้แบบนี้เวลามันจะหมดติแล้ว เป็นอนว่าพเรื่องพระนาคามีก็เลยยังไม่ต้องพูดกันซช่นตั้ไวสั้นิดถึงว่าถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามนีนี่ถ้าตายเต้าขึ้นไปอย่างนี้แต่มันไม่อยากกพราัขึ้นไปทีชั้นไปถึงอนาคามีพระอนาคามีเพิ่มอะไร มีทุนเรามีมาแล้วทั้งหมดรานาคาร ม, มีสิ่งที่เพิ่มสําคัญที่สุดในด้านสมถะภาวนาสำหรับอภิปัสนานภาวนานี่ยต้องเป็นไปตามปกติคือพิจารณากันธ้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามที่กล่าวมาให้จิตมันส่งตัวเมื่อขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัวนี้มีกําลังทรงตัวมากขึ้น อารมณ์ที่เพิ่มต้องเข้ามาที่เจรณาอีกนั่นก็คือสกาญาการยกาตาโนสติกาสุปกรรมถานตอนนี้ต้องมีอารมณ์ทรงตัวทรงตัวมากยิ่งกว่าพระสิทธทาคารีเพราะเป็นการตัดกรรมราคะให้เด็อดขาดโกกกวิปัสสนาญาณและก็ใช้โทมิหารในกาสินสีเคร่งคัดยิ่งขึข้น เอามาเคร่งนี่มาเฉียนนั่งหลับตาทั้งคืนทั้งวันมันใช้ไม่ได้หลับตาได้งคืนทั้งวันนี่ใช่ไม่ต้องอารมณ์ปกติแต่มันมีความรู้สึกอยู่คืออรมณ์ปกติว่ากายเนียกายสุกภมันเป็นชิ้นบินทอนมือนก็บส้วมเดินได้ แล้วก็ดใกล้ ก, กั น, นกโกรกันพยาบายกันไม่มีประโยชน์อะไรคนเต็มไปด้วยความทุกคนตั้งแต่มันต้องตายมันต้องเจ็บจนแล้วก็มีความทุกข์ไม่ควรจะทํากันเป็นอันว่าเรื่องพระนาคามนีนี้นั้นเอาไว้วันพรุงนี้เวลาพูดหมดแล้วต่อที่นี้ไปพุนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้า ใ, ใจออกร้ายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกไม่ใช่คำภาวนาและพินนาจารณาธรรมอธิยาไซจงกว่ า, วาจะได้ยินเสีงยงญาณบอกบมดเวลา